ข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนให้ทาแสดงธรรมเพื่อการให้ทมทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สอนให้ทำลายแสดงธรรมเพื่อความทำลาย ทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่สีหะข้อที่เขากล่าวหาเ ร, ร, ราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่างรังเกียจแสดงธรรมเพื่อความรังเกียจทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดม เป็นคนช่างกาจัดแสดงธรรมเพื่อความกาจัดทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนช่างเผาผลาญแสดงธรรมเพื่อความเผาผลาญทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่ สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดแสดงธรรมเพื่อไม่ผุดไม่เกิดทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่สีหะข้อที่เขากล่าวหาเราว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้เบาใจแสดงธรรมเพื่อความเบาใจ ทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นนั้นมีมูลอยู่